มันอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติกับมาตุกครามเพราะอะไรเพราะข่าวข่าวทั้งหลายที่ออกมาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะที่เป็นข้อครหาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายรับไม่ได้เลยนะเป็นเหตุให้ให้อะไรให้ถึงความเสียหายโดยประการต่างๆนะเป็นเหตุให้โจมตีว่าศิกขาสามไม่ดีอาศัยบางคนเท่านั้นเองเนี่ยนะที่ไปสร้างความเสียหายเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ในข้อ133หน้า309พระนลก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยเพิ่งจะจะเพิ่งปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไร น, นะจะแจ้จจงปฏิบัติสรีระกิจของพระองค์นี่อย่างไรพระองค์ตรัสว่าอานน์พวกเธออยากขวนขวายเพื่อบูชาสรีระของตถาคตเลย น, นะ คือพระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุไปขวนขวายในสรีรักณ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงสืบต่อในประโยชน์ตนคืออรหัตผลเนี่ยนะอรหัตผลชื่อว่าประโยชน์ตนเหมือนนพวกเธอควรตามประกอบตามในประโยชน์ของตนคืออรหัตผลพวกเธอไม่ควรประมาทในประโยชน์ตนมีตนทรงเรียวว่ามีตนทรงไปสละละความอาลัยในร่างกายและชีวิตมุ่งอรหัตผลอยู่เธอ อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญเนี่ยนะที่บอกว่าบทว่าอภยาวตาได้แก่ไม่เกี่ยวพันไม่ขวนขวายได้แก่พยายามในพระอรหันตอันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตนเนี่ยน ะ, ระพรอรหันตผลเรียกว่าประโยชน์ที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเธอจงประกอบเนืองๆ เ, เพื่อบรรลุพระอรหันตนั้นเธออย่าประมาทเนี่ยนะเป็นผู้มีความเพียรประกอบด้วยสมัประธานเครื่องย่างกิเลส มีตนส่งไปเรียกว่ามีจิตส่งไปไม่อะไรในร่างกายชีวิตมุ่งตรงต่ออรหัตผลเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพิสุควรจะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าการปฏิบัติต่อคุณธรรมที่ตัวเองควรจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่ที่พระองค์ทรงพระประสงค์เนี่ยประสงค์อะไรประสงค์ว่า พระพิสูจนทั้งหลายจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองส่วนร่างกายของพระองค์พง์ก็บอกว่าอานนท์กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างคฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างเลื่อมใสในตถาคตมีอยู่เขาเหล่านั้นจักระทรมบูชาทำการบูชาสริรักของตถาคตเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาพึงปฏิบัติในสริรัก์ของพระตรถาคตอย่างไร พระองค์ก็บอกว่าพึงปฏิบัติในสรีระของพระตรถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในสริระของพระเจ้าจักรพรรดิพระนลก็ถามต่อไปว่าเขาปฏิบัติในพระสริระของพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นอย่างไรอานนท์เขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่เ่าใช้ผ้าใหม่มาหอ่อครั้นห่อแล้วก็ซับด้วยสำลีครั้นซับด้วยสำลีแล้วก็หอ่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ ห่อสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้า500คู่อ่านะเรียกว่าห่อเสร็จก็เอาสำรีมาซับๆแล้วก็ห่ออีกห่อห่อห อ, อย่างเงี้ยห้าร้อยชั้นอ่านะเสร็จแล้วก็เชิญลงในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ํามันครอบด้วยรางเหล็กอื่นทําจิตกาทานด้วยของหอมทุกชนิดถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้ในทางใหญ่สี่เพ่งเรียกว่าสร้างเจดีย์อุทิศให้เลยนะ อ, อนนท์เขาปฏิบัติในสริระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้แล้วพึงปฏิบัติในสรีระของพระตถาคตเหมือนเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉนั้นพึงสร้างสถูปของตถาคตเอาไว้ในทางใหญ่ทางสี่แพร่งก็เลไปทมทำทางไว้ให้มันเด่นชัดคนไปมาเห็นได้ง่ายส่วนชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งมาลายของหอมจนก็คือผงหอมเนี่ยนะ จากอภิวาทหรือยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานคือพระองค์เนี่ยแม้แต่พระบรมธาตุก็ยังช่วยให้สักพ้นทุกข์ได้หวังงั้นขอให้เขามีจิตใ จ, ใจเลื่อมใสหรือกราบหรือไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมอยังจิตให้เลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุระลึ ก, ก, กถึงพระพระตถาคตอั น, นั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน แสดงว่าผู้ที่กราบไหว้บูชาพระตถาคตนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตนั่นเองเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกต่อไปว่าอานนทูปาระหะบุคคลสี่เหล่านี้ถูปาระหะบุคคลสี่เป็นฉไหนะบุคคลผู้คู่ควรแก่การสร้างสถูปสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาเนี่ยมีอยู่สี่บุคคลบุคคลคือใคร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าหนึ่งสาวกของพระตถาคตหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิอีกหนึ่งดูก่อนอ น, นุนเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถู ป, ปารหาบุคคลอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงผู้เป็นผู้ที่คู่ควรแก่การบูชา ก็เพราะว่าชนเป็นอันมากย่อมยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปเป็นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อนนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี่แลพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นทู ป, ปาระหะบุคคล เรียกว่ายังจิตให้เลื่อมสบูชาด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงอนุญาตให้สร้างเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยจะได้บูชาพระองค์เพราะเป็นทางแห่งสุขติโลกสวรรค์ยิ่งยุคหลังๆเนี่ยนะทาอย่างอื่นเกินกว่านั้นไม่ได้นอกจากไหว้พระเจดีจริงๆนะไม่สวดมนต์ก็ไม่ได้ให้ไหว้ไนะให้เลื่อมสายเลื่อมสายนะเพราว่าสวดมนต์กันหน่อยไมแหมไ ม, ไม่ได้อย่างนั้น สวดมนต์คือจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงไปบูชาพระเจดีในยุคหลังๆมาเนี่ยคนกุศลจิตเกิดน้อยมากกุศลจิตนิดเดียวจริงๆอ่ะนะไปกราไปไหว้ไปอารังสัมมาแต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่ทําอ่ะนะเราถามว่าดีไหมดีแต่ว่าน้อยเกินไปเนี่ยนะนะคือน่าจ ะ, ะได้กุศลจิตเกิดมากกว่านั้นได้ยาวกว่านั้นในพุทธานุสติธรรมานุสติให้มากๆขึ้นอ่ะนะ ที่จริงควรจะได้รับประโยชน์อย่างนั้นแต่ก็ช่างเถอะได้เท่าไหร่ถึงจะน้อยจะนิดยกมือไหว้ยังจิตให้เลื่อมใสนั่นก็เป็นทางแห่งความสุขนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขในอนาคตต่อไปละอ่งนั้นอันนี้อำนาจประโยชน์ที่สร้างสถุปสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาหรือว่าให้ประชุมชนทั้งหลายเขาได้กราบได้ไหว้ได้บูชากัน ดูก่อนอนนุ์เพราะ อ, อาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระปเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถู ป, ปาระหะบุคคลบอกว่าชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปของพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อานนุนเพราะ อ, อาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหลพระปเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปาระหะบุคคล อย่างนึกถึงว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเคยมีลูกตอนหลังลูกชายก็ออกบวชเป็นพระประเจ ก, กับพรุทธเจ้าเนี่ยนะอดีตชาติพระองค์เป็นสังฆพรามณ์แล้วก็มีลูกชายชื่อว่าอะไรนะลูกชายของท่านที่ตอนหลังไปเป็นบวชเป็นพระประเจกับบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ไปถอนญ้าถอนหญ้าชมระพื้นที่ไปเอาน้ํารดบริเวณพระเจดีเอาทงเนี่ยนะ ผูกธงบูชาพระเจดีย์เอาผ้าเป็นธงบูชาเจดีย์นั่นเป็นผลให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปเมืองไผ่าลีแล้วมีเข้ามีการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างยิ่งใหญ่มากเลยนั่นเป็นผลของการบูชาเจดีย์พระปัจเจกพพุทธเจ้าซึ่งเป็นลูกชายของตนนั่นเองในอดีตชาติเพราะฉะนั้นันน้ผลของการบูชาเพราะอย่าไปคิดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระปัจเจกพพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ทรงคุณธรรมเหล่านี้แล้ว จะได้รับผลน้อยจะได้รับอนิสงส์น้อยแต่ที่แท้นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขดูก่อนอนอนลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสาวกของพระตถาคตจึงเป็นถู ป, ปาระหะบุคคลเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นนี้จึงคู่ควรกับการสร้างเจดีย์บูชาเนี่ยนะก็เพราะชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปสาวกของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในสตูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อนนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี่แลสาวกของพระตถาคตจึงเป็นถูปรารหะบุคคลนะเจดีย์ของสร้างเพื่อพระอริยเนี่ยนะเจดีย์ที่สร้างถวายพระอริยเจ้าทั้งหลาย โดยก่อนอานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระเจ้าจากักรพรรดิจึงเป็นถูปรารหะบุคคลก็บอกว่าชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นพระสถูปของพระธรรมราชาพระราชาผู้ทรงอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการพระองค์ผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นชนเหล่าใดที่เลื่อมใสในพระสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะนับถือคนที่ทรงธรรมนับถือผู้ที่บูชาธรรมปฏิบัติธรรมนั้นการบูชาผู้ที่ทรงธรรมปฏิบัติธรรมอาศัยประโยชน์นี่แลคือประโยชน์คือการบูชาแล้วเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์อันนี้แหละพระเจ้าจากักรพรรดิจึงเป็นถูปาระหะบุคคลอา น, นุถูปาระหะบุคคลสี่เหล่านี้แล ทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยนะเมื่อพระนตนสอบถามเรื่องราวเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็เสียใจมากนะท่านก็ไปยืนอ่ในข้อหนึ่งร้อยสาสิบห้าครั้งนั้นพระนนเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวสลักเพชร้องให้อยู่ว่าเราเนี่ยยังเป็นเสขะบุคคลยังเป็นพระโสดาบันอยู่เลยยังมีกิจ คือการเจริญศีกขาที่ยังต้องทําอยู่ยังมีกิจที่จะต้องกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญสกทาคามมีมกักอนาคาคามมีมกักและอรหัตตมักอยู่กิจในการเจริญมักท่านสูงยังมีอยู่แต่พระศาสดา ข, ของเราผู้เป็ น, นผู้อนุเคราะห์เราจากปรินิพานเสียนะก็เสียใจเนี่ยนะคือ คือเนื่องจากพระอนุนน์คิดว่าพระองค์ เ, เป็นผู้ที่อนุเคราะห์เราสงสารเราท่านก็ไม่คิดกันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะถวายน้ําสําหรับล้างพระภักเกลียใครพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสถวายน้ําส่งพระภักอีกต่อไปคือท่านมีความสุขในการทําพุทธบูชาเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าถวายน้ําท่านก็มีความสุขที่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าเอ็นี่เราเราจะถวายน้ําสําหรับล้างพระภักเกลียใครเราจะล้างพระบาทคือล้างเท้าให้ใคร เราจะาปฏิบัติเสนาสนะให้แก่ใครเราจะรับบาตรับจีวรให้แก่ใครเราจะเที่ยวไปกับใครเสยียใจเลยครับเนี่ยนะเงาแล้วก็เรียกเงาเลยคนเดียวแล้วโอ้ยศีขษสามก็ยังไม่ได้เจริญอาทิศีนอาธิจธิตอาทิปัญญาก็ยังไม่บริบูรณ์กําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งก็ยังไม่เพียบพร้อมเลยร้องให้เลยครับเนี่ยน้ําตาพระสุดาบันก็ไหล อ, ออกมาเหมือนกันแต่ก็แต็มก็น่าเสียใจเหมือนกันนะถ้าคิดแบบท่านนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งถามพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอานอนท์อยู่ที่ไหนพวกพิสูจนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานอนท์เข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวสลักเพชรร้องให้อยู่ว่าเรานี่ยังเป็นเสขับุคคลยังมีกิจในการเจริญศีกขากำหนดแทงตลอดอริยสัจที่ยังต้องทำอยู่แต่พระศาสดา ข, ของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราก็จักปรินินพามเสีย ร้องให้อยู่นั่นแหละพูดแต่คํานี้อยู่พระเจ้าข้าล่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งว่าจงไปเถิดภิกษุจงบอกอานนท์ตามคําของเราว่าท่านอานนท์พระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นก็รับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ครั้นเข้าไปหาแล้วก็บอกกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์พระศาสดารับสั่งหาท่านพระอานนท์ก็รับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พรันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรับสั่งกับท่านท่านอนผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าอย่าเลยอนนท์เธออย่าเศร้าโศกร่าไรไปเลยเนี่ยนะนะอย่ามีโศกะปริเทวไปเลยเราได้บอกเอาไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือคือเราเคยบอกเคยเตือนเคยแนะนำเอาไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า ความเป็นต่างๆคื อ, อยังไงมันก็ต้องมีการพลาดพลาดมันจะต้องจากกันอย่างเนี้ยธรรมดาความพลัดพลาความเป็นอย่างอื่นอย่างไรเสียเราจะต้องจากของที่เรารักของที่เราชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้เป็นธรรมดาข้อนั้นที่จะไม่ให้พละดพลาจากของรักข้อนั้นจะหาได้จากของรักของชอบใจจากที่ไหนเล่าเพราะสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแล้ว มีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้สังขารธรรมเนี่ยยั่งยืนมั่นคงเลยถาวรที่จะไม่ให้สังขารธรรมนั้นมีการแตกกระจัดกระจายไม่ให้มีการพลาดพลาดเป็นไปไม่ได้หรอกอ น, นุอนนเธออปได้อุ ป, ปถา ต, ตถาคต ด, ด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตา เธอได้อุปถาตาถาคตด้วยวยจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาไม่ใช่ช่วยแต่ร่างกายนะแบบคนเื่อเป็นตนใหม่กายกรรมที่พระนรนมทำต่อพระองค์ก็เพื่อประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมที่ทำกับพระพุทธเจ้าก็ประกอบด้วยเมตตาอุปถาพระองค์ด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาคุณธรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์เพื่อกูลเป็นความสุขไม่มีสอง เป็นคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้มาช้านานคือพระนนทเนี่ยเจริญกุศลมากอ น, อนนท์เธอได้ทําบุญไว้แล้วก็คือเธอเป็นผู้มีบุญนะ่ะนะเธอทําทบุญไว้แล้วก็แปลว่าเธอเป็นผู้มีบุญอานอนท์เธอจงประกอบความเพียรเจริญศึกขาสามเธอเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันนะเธอปฏิบัติเธอไม่นานเจ้าจะเป็นพระอรหันต์อย่าง รวดเร็วก็เร็วจริงๆอ่ะนะเร็วถึงขนาดว่าเหียดตัวลงนอนยังไม่ทันหลังยังไม่ถึงพื้นก็บรรุแล้วอ่ะนะเร็วขนาดนั้นนะฮ ะ, ะไม่กี่วินาทีวางั้นะ น, ะนะเร็วขนาดนั้นแต่แหมแต่กว่าจะบรรลุก็ทุกขาปฏิปทาน้ำน า, อ, าอะไรนะปฏิบททัติเรทว่าน้ำตานองหน้าในหน้า430บอกว่ามีด เมตเณเกายกรรมเมนะคือว่ามีกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาหมายคือว่าพระนรนเนี่ยนะเวลาถวายน้ําล้างพระพักเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติก็ทําด้วยเมตตาจิตคือเป็นคนที่รักพระพุทธเจ้ามากทาให้พระองค์เนี่ยจะช่วยยังไงให้พระองค์สบายที่สุดนะจะทํายังไงให้พระองค์เบาที่สุดสะดวกที่สุดง่ายที่สุดคือว่าไม่สร้างปัญหาให้พระพุทธเจ้าเลยปัญหาเราใดจะไม่เกิดจากพระนรนเลยท่านพระนรนเนี่ยจะช่วยดูแลอุปถักภ ที่สุดเท่าที่จะสร้างได้คือคือไม่เหมือนกับบางคนเนี่ยนะเรื่องไม่มีพระธรรมให้มันมีเรื่องกลายเป็นว่าไปยืนกลางอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเป็นต้นคือท่านพระนนท์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านทำทุกอย่างด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระนนท์ทำเนี่ยเพื่อความเจริญเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขทั้งกายและใจจัดทําดับความดับทุกทั้งกายวาจาและใจเพราะท่านทำอย่างนี้ทั้ง ต่อหน้าและรับหลังเพราะท่านจะมีความเสมอต้นเสมอปลายติดตามพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยดูเหมือนเงาติดตามตัวจริงๆ25ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่มีใครอุปถัมภ์ท่านก็รับอุปถัมภ์ถ้ามีคนอุปถัมภ์อยู่แล้วท่านก็ดวงงังถ้ามีคนออกไปท่านก็เข้าไปอุปถัมภ์ท่านจะทําอยู่อย่างนี้ประมาณ20ปีเนี่ยนะประมาณ19ปีเนี่ยดูกระว่าเข้าออกๆอย่างเงี้ยยีปีเกือบ20ปีแล้วรับอุปถัมภ์ประจําเลยเนี่ย อีกสี่ยี่สิบห้าปีเหมือนเงาติดตามตัวเนี่ยนะแผ่นบุญที่พระอนนท์ทำเนี่ยหาประมาณไม่ได้ถามว่าแค่ไหนบุญเขาบอกว่าจักรวาลนี้ครับแคบพวกระพรมก็ต่ําเพราะกายกรรมที่ท่านทํามากายกรรมบุญกุศลที่ทําด้วยเมตตาจิตที่ทําต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโวยบุญเหล่านั้นหาประมาณไม่ได้เรียกว่าจักรวาลนี้ครับแคบถ้าเทียบบุญของพระอนนท์อ่ะนะ บุญที่ท่านทำตลอดระยะเวลาสามี่สปีเนี่ยถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆกร่วว่าจั ก, กรวาลก็แคบโนนเนวะสัญญาณนาะสัญญายาตนะก็ถือว่าต่ำเกินไปสำหรับท่านนะคนะือบุญท่านท่านเป็นผู้มีบุญจริงๆแหละมะเพราะาท่านทำกายบุญที่กล่ากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตานี้ยังทำบุญที่มีวจีกรรมที่ทำด้วยเมตตาเช่น บอกเวลาล้างพระพักเป็นต้นเวลาปฏิบัติด้วยอํานาจจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาหรือเมื่อฟังธรรมแล้วท่านจะบอกาสาธุพันเตดีแล้วพระเจ้าค่าสาธุคือคือเป็นผลที่พูดเพราะกับพระพุทธเจ้าเสมอเนี่ยนะไม่มีอาการกิริยากระโชคโกหักจิตใจที่กระด้างเป็นต้นไม่มีคือทํายังไงให้พระพุทธเจ้าสบายใจที่สุดนั่นแหละคือพระอ น, นุนละ่ะเนี่ยนะจะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าตรงไหนได้บ้างอะไรพันท่านจะเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดาย เนี่ยนะไม่นิ่งดูดายในการประพฤติปฏิบัติทั้งโดยร่างกายและโดยวาจาต่อไปบอกว่าเมเตนะมโนกรรมเมนะท่านปฏิบัติ ด, ด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเช่นแต่เช้าตรู่ท่านจงท่านจะนั่งอยู่ในที่อาสนะเงียบเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าขอพระาศาสดาจงเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีทุกเบียดเบียนจงเป็นสุขเถิดเรียกว่าเป็นคนที่อวยพร ใ, ให้พระพุทธเจ้าตลอดขอให้พระองค์ไม่มีโรคไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุข ให้พระองค์มีความสุขอยู่เถิดให้พระองค์มีความสุขอยู่เถิดขอพระองค์จะได้มีทุกข์ขอพระองค์จะได้มีอะไรมาเบียดเบียนพระองค์เลยก็คือคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยความหวังดีความปรารถนาดีหวังแต่ความสุขและความเจริญต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญที่พระนนท์ที่ทําด้วยกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตา บุญที่พระอนุนทำที่ทสําเร็จด้วยวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาบุญที่ทําด้วยมโนโกรรมที่สําเร็จด้วยเมตตากะตะปุญโยสิแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ทําบุญมามากแล้วและบุญในอดีตชาติของท่านท่านทําบุญบูชามาเนี่ยตลอดแสนมหากรัปมาแล้วขณะเดียวกันชาตินี้แหะชาตินี้ท่านก็ทําบุญแล้วก็ฟังธรรมเนี่ยนะถามว่าใครในโลกจะฟังธรรมเท่ากับพระอนุน หายากผู้ที่ฟังคำเท่ากับพระอนนท์เนี่ยนะท่านฟังคำมากแล้วพระอนนท์เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากแครว่าปัญญาของท่านท่านฟังหนึ่งคำเนี่ยท่านเข้าใจได้เป็นร้อยๆอยในเนี่ยเป็นร้อยในเป็นพันในเข้าใจได้อย่างกว้างขวางท่านเป็นผู้มีปัญญามากถึงอดีต ท, ท่านจะทำบุญมามากชาตินี้ท่านจะเรียนมามากฟังธรรมมาเยอะแต่พระองค์ก็บอกว่าเธออย่าวางใจแล้วก็อย่าประมาทเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะ อย่าขี้เกียจนะๆอย่าประมาทอย่าขี้เกียจน ะ, จะเจริญต่อไปโดยที่แท้จงประกอบความเพียรเนืองๆจงประกอบความเพียรเนืองๆอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันแปลว่าจะบรรลุอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วเธอจกบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาก่อนสังขยาธรรมก็การปรนในบัตรที่เธอทำแก่พระพุทธเจ้าเช่นเราเชื่อว่าไร้ผลหาไ ม, ม, ม่ได้ หมายคําว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยนะบุญที่เธอทําประกอบกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตามโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาบุญเหล่านี้มีผลหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไร้ผลอย่างพวกเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมเราก้มกราบน้อมลาลึกบูชาพระองค์อันนี้เป็นกายกรรมที่ประกอบไปด้วย เมตตาสรรเสริญพระ <Hoch sch at> พุทธคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นก็เป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระองค์ด้วยใจก็เป็นมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาถ้าเราปรารถนาจะมีบุญมากเช่นกับพระอานนท์ก็เจริญเมตตากายกรรมต่อพระพุทธเจ้าเจริญเมตตาวจีกรรมต่อพระพุทธเจ้าเจริญเมตตามโนกรรมในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าผู้ใดมีเมตตาในพระพุทธเจ้าคิดว่าจะตกต่ำหรือจะเจริญ ปัญหาว่าไอคนที่เราแบบอะไรนะไปเพื่อไม่รู้ทําเพื่อใครก็ไม่ทราบคนที่ศึกษาพระธรรมในยุคปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยพอมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันไอ้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าหรือทําเพื่อใครพระพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้าหรือพวกข้าพเจ้าสํานักข้าพเจ้ากลุ่มข้าพเจ้านี้กายข้าพเจ้าอุ้ยงงไปหมดเลยเฉะนั้นทำตอนแรกกับพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นต้องทําเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเพื่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทําเพื่อเรานะ <English language> เราทําเพื่อพระพุทธเจา้าเนี่ยไม่ใช่ว่าพระองค์แหมดีแต่คนเดียวพระองค์เรียกว่าหยิบยอดเอากําไรไปหมดเลยเนี่ยนะเราเหนื่อยอยู่คนเดียวพระองค์หอบกําไรนี้ไปหมดเลยไม่ใช่บอกทําเพื่อพระพุทธเจา้าแล้วพระองค์ก็ไปดีแล้วเนะี่ยเราอดเล ย, ยงไงไม่ใช่บุญเหล่าใดที่ทําไปแล้วบุญเหล่านั้นที่ไร้ผลหามีไม่ขอให้เราทําที่เรียกว่าเป็นพุทธบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะด้วยกายก็การกราบการไหว้ การไม่ทำทุจริตกรรมทั้งหลายเป็นพุทธบูชาวจีกรรมก็กล่าวเวน้นจากวจีทุจริตสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นต้นทางมโนกรรมก็ระลึกถึงพระคุณของพระองค์สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าพระองค์ก็จะกล่าวสรรเสริญยกย่องคุณของพระอานนท์ต่อไปซึ่งพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะมาฟังคุณธรรมของ พระอนนท์เนี่ยนะซึ่งเป็นอุปกรณ์เอาไว้เจริญสังขานุสติว่าพระอนนท์นั้นเป็นผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรองปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน